ทำไมจึงเกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติเพราะเราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวการปฏิบัติคือฝึกสติให้รู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจําวันเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาครูบาทั้งหลายเนี่ยมาชักนําให้ญาติโยมเข้าใจผิด เดินทางผิดหมดเด็กน้อยเรียนหนังสือก็ปฏิบัติสมาธิได้ผู้ใหญ่ทำงานก็ปฏิบัติสมาธิได้ฝึกสติลูกเดียวถ้าจะเอาให้ดีกันจริงๆศีห้าศีห้าข้อเป็นหลักจะละบาปก็อยู่ที่ศีห้าข้อจะละกิเลสก็ศีห้าข้อ